อีกครั้งหนึ่งที่กรุงราชคฤือมีพรามค์คนหนึ่งชื่อมหาเสนพราม์เคยเป็นสหายของวังคันตะพรามผู้บิดาของพระธรรมเสนาบดีพรามผู้นี้เคยมั่งคั่งมากต่อมาตกยากพระสารีบุตรต้องการจะสงเคราะห์เขาจึงไปบินธบดทยังประตูเรือนของพรามนั้นมหาเสนผู้ซึ่งบัดนี้ตกยากได้เห็นพระเถระมายือนอยู่ที่ประตูเรือนคิดว่า บุตรของเราเมื่อยืนอยู่ที่ประตูเรือนคงไม่ทราบกะมังว่าบัดนี้เราไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรๆในเรือนของเราที่พอเป็นไทยธรรมได้ไม่มีเลยดังนี้แล้วไม่อาจเผชิญหน้ากับพระเถระได้จึงหลบเสียวันอื่นๆพระเถระก็ไปยังประตูเรือนนั้นอีกแต่มหาเสนาพรามไม่มีอะไรถวายจึงหลบเสียเช่นเคย เหตุการณ์เป็นไปเยี่ยงนี้อยู่หลายวันจนกระทั่งวันหนึ่งพราหมณ์ได้ข้ามัทุปายาตมาถาดหนึ่งและผ้าสาดกเนื้อยาผืนหนึ่งจากที่ที่เจ้าภาพเชิญพราหมณไปทําพิธีแล้วให้ของมหาเสนพราหมณ์ถือของกลับบ้านพร้อมกับนึกว่าวันนี้เรามีทายธรรมแล้วถ้าพระเถระบุตรของเรามาเราจะถวายของนี้ให้ชื่นใจสักวันหนึ่งพอดีวันนั้น พระเถระเข้าฌานสมาบัติออกจากสมาบัติแล้วพิจารณาหาบุคคลที่ควรปรดให้เห็นด้วยทิพยจักษุซึ่งพรามนั้นว่าบัดนี้เขามีทยธรรมแล้วเราควรไปโปรดเขาจึงไปยังประตูเรือนของพรามนั้นพอเห็นพระเถระเท่านั้นจิตของพรามก็เลื่อมใสเขาเข้าไปหาพระเถระไหว้แล้วกระทาปฏิสันฐานนิมนต์ให้นั่งบนเรือนถือถาดที่เต็มด้วยข้าวปายา เข้ามาเทลงในบาทของพระเถระพระธรรมเสนาบดีรับไว้ครึ่งหนึ่งแล้วปิดบาทเขากล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญข้าวปลายาตินี้เพียงพอสําหรับคนคนเดียวเท่านั้นขอท่านได้โปรดรับไว้ทั้งหมดเถิดอยาสงเคราะห์กระผมเพียงในโลกนี้เท่านั้นเลยขอได้โปรดสงเคราะห์ในโลกหน้าด้วยกระผมขอถวายท่านทั้งหมดดังนี้แล้วเทข้าวปลายาดลงทั้งหมด เมื่อพระเถระฉันเสร็จแล้วเขานำผ้าสาดกเนื้อหยาบมาถวายพร้อมกล่าวว่าขอกระผมเพิงได้บรรลุธรรมที่ท่านเห็นแล้วด้วยเถิดพระมหาเถระพิจารณาแล้วเห็นว่าพราหมณ์จักเป็นผู้มีลาภเป็นอันมากในอนาคตและจักได้บรรลุธรรมแต่อายุยังน้อยทีเดียวจึงกล่าวอนุโมทนาว่าขอจงเป็นอย่างนั้นเถิดพราหมณ์ดังนี้แล้วลุกจากอาสนะลีกไป จะริกไปโดยลำดับจนถึงเมืองสาวัตถีพักอยู่ณเชตวันวิหารท่านกล่าวว่าทานที่บุคคลให้แล้วในคราวตกยากย่อมยังพูดทำให้ร่าเริงเบิกบานและมีอานิสงส์มากด้วยเหตุนี้พรามนั้นถวายทานแตพระเถระแล้วมีจิตเลื่อมใสยอย่างยิ่งโสมนัสอย่างยิ่งมีความสิเนหาเป็นอย่างยิ่งในพระเถระไม่นานนะัก พรามนั้นทำกาละแล้วไปปฏิสนธิในสกุลอุปถาของพระเถระในกรุงสาวัตถีมารดาของทารกในคันได้บริหารคันอย่างดีเว้นการบริโภค ข, ของร้อนจัดเย็นจัดเปรี้ยวจัดและเผ็ดจัดเป็นต้นถึงกระนั้นนางก็ได้มีอาการแพ้ท้องไคร่ทำบุญกุศลรำพึงอยู่เสมอว่าฉไหนหนอเราพึงนิ ม, มนต์ภิกษุหรอยรูป มีพระสารีบุตรเถระเป็นประธานให้นั่งในเรือนถวายข้าวปายาดเจือน้ำนมล้วนแม้เราเองก็พึงนุ่งห่มผ้ากาสาวะถือขันทองคำนั่งปลายอาสนะและบริโภคข้าวปายาดที่เหลือจากพิสุทั้งหลายการที่นางผู้เป็นมารดามีอาการแพ้ท้องดังนี้เป็นบุพภณิมิตรว่าบุตรที่อยู่ในขันนั้นจกได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา พวกญาติทราบการแพ้ท้องของนางแล้วยินดีว่าอาการแพ้ท้องแห่งธิดาของเราประกอบด้วยธรรมปารลบธรรมเป็นนิมิตอันดีจึงชวนกันจัดแจงให้เป็นไปตามความต้องการของนางทุกประการความแพ้ท้องจึงสงบลง ระหว่างเวลาที่ทารกอยู่ในขันนั้นเมื่อปารกจะทำงานมงคลใดๆก็ทำโดยทํานองนั้นทุกครั้งคือถวายข้าวปายาติแก่พิสุสงมีพระสารีบุตรเถระเป็นประธานและนางนุ่งหมผ้ากาสาวะนั่งอยู่ปลายอาสนะถือขันธงคำบริโภคข้าวปายาติที่เหลือจากพิสุสงในวันคลอดพวกญาติได้ทำพิธีมงคลให้ทารกอาบน้าแต่เช้าตรู่ ประดับประดาด้วยสันภาผอนแล้วให้นอนบนผ้ากำพลมีค่าแสนหนึ่งบนที่นอนอันมีสุริเรื่องข้าวปาญาติก็ดีเรื่องที่เด็กได้นอนบนผ้ากำพลอันมีราคามากก็ดีเป็นผลแห่งข้าวมัทุ ป, ป่าญาติและผ้าเนื้อหยาบที่ทารกได้ถวายแก่พระสารีบุตรในชาติก่อนชาติที่เป็นพรามตกยากในพิธีมงคลวันหนึ่งทารกนอนอยู่บนผ้ากำพล และดูพระสารีบุตรเถระพลางคิดว่าเราได้สมบัติเห็นปานนี้ก็เพราะได้อาศัยพระเถระนี้ท่านเป็นบุรพาจารย์ของเราเราควรบริจาคอะไรสักอย่างหนึ่งแก่ท่านในวันนี้ในขณะที่พวกญาตินำเข้าไปรับศีนนั่นเองทารกได้เอานิ้วก้อยเกี่ยวผ้ากำพล ผ, ลผืนนั้นยึดไว้พวกญาติพยายามปลดออกแต่เด็กไม่ยอมปล่อยและร้องไห้ พวกญาติจึงพาทารกไปไหว้พระเถระพร้อมทั้งผ้ากำพลเมื่อญาติให้ไหว้พระเถระทารกชักนิ้วออกให้ผ้ากำพลตกอยู่ที่เท้าของท่านพวกญาติมีมารดาเป็นต้นได้กล่าวว่าท่านเจ้าข้าผ้ากำพลผืนนี้ที่ทารกเกี่ยวก้อยติดมานี้ขอให้เป็นผ้าอันทารกถวายแล้วแก่ท่านขอได้โปรดรับไว้ด้วยเถิดเด็กคนนี้ชื่ออะไรพระเถระถาม ชื่อติสสะเจ้าข่ะมารดาของทารกตอบต่อมาก่อนอายุจะครบเจ็ดขวบได้มีพิธีมงคลอีกหลายครั้งแต่ละครั้งก็ทำอย่างเดียวกับครั้งก่อนๆ น, นั่นเองส่วนมารดาของเด็กก็ได้ตั้งใจไว้ว่าจะไม่ทำลายอัธยาศัยของลูกถ้าลูกปรารถนาจะบวชก็จะให้บวชเมื่อเด็กอายุครบเจ็ดขวบได้กล่าวกับมารดาว่าคุณแม่ครับ ลูกจะบวชในสำนักของพระเถระมารดาตอบยินยอมด้วยความยินดีเพราะมีอัธยาศัสยนิยมในทางธรรมอยู่แล้วใครเห็นบุตรเจริญในทางธรรมยิ่งกว่าในทางโลกวันนั้นเองได้นิมนต์พระเถระมาถวายภิกษาแล้วกราบเรียนให้ทราบถึงเรื่องที่บุตรน้อยขออนุญาตบวชในสำนักของท่าน ตอนเย็นจึงพาบุตรน้อยไปสู่สำนักพระสารีบุตรพร้อมด้วยสาการะเป็นอันมากพระเถระกล่าวกับทารก่อนบวชว่าติสสะการบวชเป็นของยากทำให้บริบูรณ์ได้ยากความเป็นอยู่ไม่สะดวกเหมือนขฤรือหัสเมื่อต้องการของร้อนก็ได้ของเย็นเมื่อต้องการของเย็นก็ได้ของร้อนนักบวชจึงต้องอดทนไม่ประพฤติตามใจตัวในเรื่องนี้ เธอเคยมีความสุขมาแล้วขอให้คิดดูสิก่อนเด็กน้อยติสะรับอย่างมั่นคงว่าจะทำได้ตามที่ท่านสั่งสอนพระเถระจึงให้บวชเป็นสามเณรโดยการบอกกรรมฐานห้าให้ก่อนกรรมฐานห้าคือให้พิจารณาอวัยวะทั้งห้ากล่าวคือผมขนเล็บฟันหนังว่าเป็นของปฏิกูลน่ารังเกียจโสโครกไม่ควรกาหนด ควรพิจารณาหนึ่งเนืองถึงความปฏิกูลของผมขนและฟันหนังนี้เมื่อพิจารณาหนึ่งเนืองย่อมทำให้เบื่อนายคลายกำหนัดจิตเป็นสมาธิได้เร็วกรรมฐานห้านี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่เคยทรงละทิ้งเลยอันหนึ่งภิกษุภิษุนีอุบาสกอุบาสิ ก, กาผู้พิจารณากรรมฐานห้านี้แล้วได้บรรลุอรหัตผลมีจานวนมากมายกาหนดไม่ได้ พระสารีบุตรเถระบอกกรรมฐานห้าให้แล้วให้ดำรงอยู่ในศีลสิบแล้วให้เด็กน้อยดำรงอยู่ในภาวะแห่งสั ม, มเนนมารดาบิดาของส ม, มเนนถวายข้ามรทุปายาตมีน้ำน้อยแก่พิสุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในวิหารนั่นเองเป็นเวลาสองวันภิสุบางพวกเบื่ออาหารประเภทนั้นจึงกล่าวโพธนาขึ้นว่าพวกเราไม่อาจฉันอาหารอย่างเดียวเป็นนิดได้ มานดาบิดาของสัมมเนนขออาศัยอยู่ในวัดเป็นเวลาเจวันในเย็นวันที่เจดจึงกลับเรือนของตนในวันที่8สัมมเนนจึงเข้าไปบิณฑบาตกับภิกษุทั้งหลายชาวเมืองสาวัตถีรู้กันว่าสัมมเนนเข้าไปบิณฑบาตในเช้า ว, วันนั้นจึงพากันจัดแจงทายาธรรมเป็นอันมากเช่นผ้าสาดกและอาหารอันประณีตแล้วไปยืนดักถวายแม้ในวันรุ่งขึ้นก็ชวนกันไปดักถวายที่ป่า ใกล้ที่อยู่ของสัมเมเนนเพียงสองวันเท่านั้นสัมเมเนนได้ผ้าสาดกจํานวนพันและทายาธรรมอื่นๆ อ, อีกเป็นอันมากเธอได้ถวายของเหล่านั้นแก่ภิกษุสงฆ์การที่สัมเมเนนได้ผ้าสาดกเป็นอันมากนั้นเป็นอนิสงฆ์แห่งการถวายผ้าสาดกเนื้อหยาบแก่พระสารีบุตรในสมัยที่ตนเป็นพรามณ์ยากจนด้วยประการชนนี้ภิกษุทั้งหลายจึงขนานนามสัมเมเนนว่าปินทปาตะทายกติสระ ติสะพูดถวายบิณฑบาตเช้าวันหนึ่งสามเณรเที่ยวเดินเล่นในวิหารเห็นพิสุจำนวนหนึ่งนั่งผิงไฟอยู่ในเรือนไฟเป็นต้นจึงเรียนถามว่าเหตุไรจึงต้องนั่งผิงไฟด้วยเล่าหนาวนะสามเณรพิสุทั้งหลายตอบท่านผู้เจริญในฤ ด, ดูหนาวท่านทั้งหลายควรห่มผ้ากำพลผ้ากำพลกันหนาวไ ด, ด้ดีสามเณรพูดสามเณรเธอมีบุญมาก ผ้ากรรมลเกิดขึ้นแก่เธอโดยง่ายแต่พวกเรามีบุญน้อยจักได้ผ้ากรรมลจากที่ไหนเล่าท่านผู้เจริญถ้ากรณ์นั้นท่านทั้งหลายจงมากับข้าพเจ้าเถิดท่านที่ต้องการผ้ากรรมลจักได้ผ้ากรรมลภิกษุจํานวนมากอาศัยสัมเนรผู้มีอายุเพียงเจ็ดขวบเท่านั้นเข้าไปสู่นครสาวัตถีสามเนรมิได้วิตกเลยว่าเราจักได้ผ้ากรรมลที่ไหนสําหรับภิกษุจํานวนมากอย่างนี้ สามเณรเดินไปตามลำดับเรือนภายนอกนครสาวัตถีได้ผ้ากําพลถึงห้าร้อยผืนแล้วเข้าไปภายในพรนครชาวเมืองนำเอาผ้ากําพลจำนวนมากจากที่นี่บ้างที่โน่นบ้างมาถวายชายคนหนึ่งเห็นเจ้าของร้านคนหนึ่งกำลังคลี่ผ้ากาพลอยู่จึงพูดว่าท่านจงรีบซ่อนผ้ากําพลเสียเถิดสามเณรรูปหนึ่งกลังรวบรวมผ้ากาพลอยู่ ก็สามมณี น, นถือเอาเฉพาะผ้าที่เขาให้แล้วหรือแม้ของที่เขายังไม่ได้ให้ด้วยเจ้าของร้านนั้นถามเฉพาะของที่เขาให้เท่านั้นบรุษรผู้นั้นตอบถ้าอย่างนั้นท่านไปเสียเถิดอย่ามาพูดเลยถ้าปรารถนาจะให้เราก็ให้ไม่ปรารถนาก็ไม่ให้ชายผู้นั้นเก้อเขินออกไปแล้วคนตรนีมีนิสัยผานเมื่อคนอื่นกาลังทาความดีมีให้ทานเป็นต้นก็ขัดขวาง สมดังที่พระศาสดาตรัสว่าเมื่อสัตบุรุษให้สิ่งที่ให้โดยยากอยู่ทำสิ่งที่ทำได้โดยยากอยู่อสัตบุรุษทำตามไม่ได้เพราะทำของสัตบุรุษทำตามได้ยากด้วยเหตุนี้คติคือทางดาเนินหรืออนาคตของสัตบุรุษและอสัตบุรุษจึงต่างกันอสัตบุรุษไปนรกส่วนสัตบุรุษไปสวรรค์ท้องฟ้ากับแผ่นดิน ฟังมหาสมุทรทั้งสองข้างนับว่าห่างกันแต่ทมของสตบุรษกับของอสตบุรษยังไกลกันยิ่งกว่านั้นเมื่อชายผู้นั้นจากไปแล้วเจ้าของร้านจึงคิดว่า บรรดาผ้ากำพลจำนวนมากของเรานี้มีอยู่สองผืนที่มีราคาเป็นเรือนแสนถ้าสามนเณรเห็นแล้วเราไม่ให้เราก็ละอายจึงซ่อนผ้ากำพลสองผืนนั้นเสียแต่พอสามนเณรพร้อมด้วยภิกษุจำนวนมากมาถึงเขาพอได้เห็นสามนเณรเท่านั้นความรักเพียงดังบุตรก็เกิดขึ้นสิริระทั้งสิ้นเอิบอาไปด้วยความรักเขาคิดว่าอย่าว่าแต่ผ้ากำพลเลย สำหรับสัมเนนนี้แม้ดวงใจเราก็ให้ได้ดังนี้แล้วจึงนำผ้ากาพลสองผืนที่มีราคาแสนนั้นมาวางไว้แทบเท้าของสมมเนนพร้อมกล่าวว่าขอข้าพเจ้าได้เห็นธรรมที่ท่านเห็นแล้วด้วยเถิดสมมเนนอนุโมทนาว่าขอให้ความปรารถนาของท่านจงสาเร็จดังประสงค์สมมเนนได้ผ้ากาพลภายในพระนครอีกห้ารอยผืนวันเดียวเท่านั้น เธอได้ผ้ากำพลถึงหนึ่งพผืนได้ถวายแก่พิสษุทั้งหลายแล้วพิสูุทั้งหลายได้ขนานนามของเธอว่ากำพลกายกติสสะติสส ะ, ะผู้ให้ผ้ากำพลด้วยประการชนนี้ฐานที่บุคคลทำไว้ดีแล้วมีอนุภาพมากอย่างนี้ขึ้นชื่อว่าบุญกุศลควรทำแท้เพราะมีสุขเป็นอนิสงมีความสำเร็จดังต้องการเป็นผล พระพุทธศาสนาย่อมทําให้ของน้อยที่บุคคลให้แล้วมีผลมากของมากย่อมมีผลมากยิ่งขึ้นเพราะบุคคลทําแล้วในทักษิณนัยบุคคลผู้อุดมด้วยคุณธรรมดุดว่านพืชเพียงเล็กน้อยในเนื้อดินดีเมื่อสามเณรติดสะพักอาศัยอยู่ที่เชตวันวิหารพวกเด็กๆที่เป็นมิสหายมาพูดจาปราศัยอยู่ด้วยเนือ ง, องสามเณรคิดว่าเมื่อเราอยู่ที่นี่ พวกเด็กที่เป็นญาติบ้างเป็นสหายบ้างมาหาสนทนาปราัสอยู่เสมอๆจะไม่พูดด้วยก็ไม่สมควรเราควรปลีกตนไปอยู่ที่อื่นเราควรเรียนกรรมฐานในสำนักพระาศาสดาแล้วเข้าสู่ป่าสามเณรเข้าเฝ้าพระาศาสดาทูลขอร้องให้พระพุทธองค์ตรัสบอกกรรมฐานให้จนถึงอรหัตผลลาอุปชัยยะแล้วถือบาทและจีวร อ, ออกไปจากวิหารคิดว่า ถ้าไปพักอยู่ที่ใกล้พวกญาติหรือเด็กๆที่เป็นสหายคงรบกวนอีกจึงได้เดินทางเข้าไปในป่าซึ่งระยะทางประมาณร้อยยี่สยพบอุบาสกคนหนึ่งในหมู่บ้านป่าจึงถามว่าในแถบนี้ที่อยู่อาศัยของพิสูจ์มีอยู่บ้างหรือไม่เมื่ออุบาสกบอกว่ามีจึงขอให้เขาชี้ทางให้เพียงได้เห็นและได้พูดกับสามเณรเล็กน้อยเท่านั้น ความรักเกิดขึ้นแก่พรามประดุษสามเณรเป็นบุตรของตนแทนการบอกทางเขากล่าวว่ามาเธอสามเณรข้าพเจ้าจะพาท่านไปอุบาสกพาสามเณรไปผ่านสถานที่อันน่ารื่นรมต่างๆจนถึงวิหารอันตั้งอยู่ในป่าจึงบอกแก่สามเณรว่าที่นี่เป็นที่สบายขอท่านอยู่ตามอัธยาศัยเถิดถามชื่อของสามเณรแล้ว ขอร้องให้สามเณรไปบินทบาทที่บ้านของพวกตนในวันรุ่งขึ้นเที่ยวเป่าประกาศแก่เพื่อนบ้านว่าสามเณรชื่อวณะวาสีติสะมาพักอยู่ณวิหารในป่าขอท่านทั้งหลายจงจัดแจงอาหารมีข้าวต้มหรือข้าวสวยเป็นต้นด้วยเถิดเดิมทีเดียวสามเณรชื่อติสะเฉยเฉยต่อมาได้นามว่าปินทปาทายกติสะ เพราะแบ่งปันอาหารบินทบาทให้แกพิกษุทั้งหลายอยู่เนืองนิดต่อมาได้ชื่อว่ากำพลทยกติสสะเพราะถวายผ้ากำพลแกพิกษุทั้งหลายเวลานี้สามเณรได้นามว่าวันณวาสีติสสะเพราะมีปกติอยู่ในป่าเพียงอายุเจ็ดขวบเท่านั้นมีชื่อตามคุณสมบัติถึงสามชื่อรวมชื่อเดิมอีกหนึ่งเป็นสี่ชื่อรุ่งขึ้นสามเณรไปบินทบาทแต่เช้าตรู่ พวกมนุษย์ถวายพิกษาแล้วไหว้สัมมเนินกล่าวว่าขอท่านทั้งหลายจงพ้นทุกข์มีความสุขเถิดทุกคนที่ถวายพิษาแก่สามเนินแล้วไม่มีใครกลับต่างก็ยืนมองสัมมเนินด้วยความชื่นชมโสมนัสแล้วหมอบลงแทบเท้าของสามเนินหมอบลงด้วยอกคืออกราบกับพื้นแบบเบนจางขปดิษฐ์กล่าวว่าขอนิมนต์ท่านอยู่จำพรรษาที่นี่เถิดตลอดไตรมาสนี้ พวกข้าพเจ้าจะถึงสารณะสาและตั้งอยู่ในศีลห้าจับรักษาอุโบสถกรรมเดือนละ8ดครั้งคือทุกๆเจค่ำ8ค่ำและ14บ่ห้าค่ำทั้งข้างขึ้นข้างแรมขอท่านได้โปรดให้ปฏิญญาแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถิดสามเณรคำนึงถึงอุปการกคุณของมนุษย์เหล่านั้นแล้วให้ปฏิ ญ, ญาแก่พวกเขาไปบิณฑบาตในหมู่บ้านนั้นเป็นประจำขณะที่ชาวบ้านไหว้ สัมมเนนพูดอยู่สองบทเท่านั้นว่าขอท่านทั้งหลายจงพ้นจากทุกข์จงมีความสุขเถิดสัมมเนนบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ณเสนาสนะป่านั้นบรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายในเดือนที่สามนั่นเอง เมื่อออกพรรษาปรวรน า, าแล้วพระสารีบุตรอุปชายยของสมมเนนเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลลาไปเยี่ยมสัมมเนนเมื่อพระศาสดาทรงอนุญาตแล้วก็ไปบอกพระมหาโมคลานะพระมหาโมคลานะขอไปด้วยแม้พระมหากรส ป, ปะพระอรุรุท ธ, ธะพระอุบาลีและพระปุณณะก็ไปพร้อมด้วยบริวารของตนของตน อุบาสกผู้อุปถัมภ์สามเนนเห็นพระเถระเหล่านั้นมาจึงต้อนรับอย่างนอบน้อมพระสารีบุตรบอกว่าจะไปเยี่ยมสามเนนติสะอุบาสกจำพระมหาเถระทั้งหลายได้ตั้งแต่พระสารีบุตรลงมามีปิติปราโมทเป็นล้นพนกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงหยุดอยู่ก่อนเถิดดังนี้แล้วรีบเข้าไปในหมู่บ้านเป่าร้องว่าพระอสีติมหาสาวกทั้งหลาย มีพระสารีบุตรเป็นต้นมาถึงหมู่บ้านของพวกเราแล้วขอท่านทั้งหลายจงถือเอาเครื่องใช้มีเตียงตัง่งเครื่องปูราดกระทิบน้ํามันเป็นต้นออกไปโดยเร็วเถิดมนุษย์ทั้งหลายได้ฟังประกาศของอุบาสกแล้วต่างก็ช่วยกันขนสัมภาระมีเตียงเป็นต้นติดตามพระเถระไปสามเณรได้ทาการต้อนรับพระมหาเถระด้วยความนอบน้อมเมื่อสามเณรกาลังจัดแจงที่อยู่ เพื่อพระเถระเก็บบาตและจีวรของท่านทั้งหลายอยู่นั่นเองความมืดก็ปรากฏขึ้นพระสารีบุตรบอกให้พวกอุบาสกกลับไปบ้านก่อนเพราะมืดแล้วอุบาสกจึงตอบว่าท่านผู้เจริญวันนี้เป็นวันธรรมสวรรพวกข้าพเจ้าขอฟังธรรมก่อนแล้วจึงกลับพวกข้าพเจ้าไม่ได้ฟังธรรมมาเป็นเวลานานแล้วสามเณรถ้าอย่างนั้นเธอจงตามพระที่แล ประกาศเวลาฟังธรรมเถิดพระเถระสั่งเมื่อสัมมเนนทำตามที่พระเถระสั่งเสร็จแล้วพระเถระจึงพูดกับสัมมเนนว่าติสสะพวกอุปถาของเธอประสงค์จะฟังธรรมเธอจงกล่าวธรรมเถิดพวกอุบาสกลุกขึ้นพร้อมกันทันทีแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญพระกุณเจ้าของพวกขพเจ้าหารู้ธรรมกถาอย่างอื่นไม่นอกจากสองบทเท่านั้นคือ ขอท่านทั้งหลายจงถึงความสุขจงพ้นจากความทุกข์เถิดขอท่านได้โปรดให้พระธรรมกะถึกรูปอื่นแสดงธรรมเถิดสามเณรแม้บรรลุอรหัตผลแล้วก็ไม่เคยกล่าวทำใดๆแก่อุบาสกเหล่านั้นเลยพระสารีบุตรอุปชายยะแห่งสามเณรหรืออัทยาสายแห่งสามเณรจึงกล่าวว่าสามเณรบุคคลจะถึงความสุขได้อย่างไรและจะพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไร เธอจงกล่าวความแห่งสองบทนี้แก่เราทั้งหลายสามเณรผู้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายแล้วรับคำของพระเถระแล้วขึ้นสู่ธรรมาทชักผลและเหตุมาจากนิกายทั้งห้าของพระสุตตันตะจำแนกขันธ์ธาตุอายตนะและโพธิปัจจยธรรมดุดมหามเมกตั้งขึ้นในสีทิศยังฝนให้หลั่งลง กล่าวธรรมกถามุ่งเอาอรหัตผลเป็นยอดโดยในว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายความสุขแท้จริงย่อมมีแก่ท่านผู้บรรลุอรหัตผลเท่านั้นท่านผู้บรรลุอรหัตผลนั่นเองย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงมีชาติทุกเป็นต้นบุคคลนอกจากนี้หาชื่อว่ามีความสุขแท้จริงไม่และหาชื่อว่าพ้นจากทุกแท้จริงไม่พระเถระกล่าวว่าสามเณร เธอกล่าวชอบแล้วเนื้อความแห่งธรรมเธอกล่าวถูกต้องแล้วต่อไปเธอจงกล่าวสารพันยะเธดสามเณรได้กล่าวธรรมโดยวิธีสารพันยะสละสลวยไผ่เราะจับใจสารพันยะคือการกล่าวธรรมเป็นทํานองถูกต้องตามฉันทลักษณ์เมื่อสามเณรกล่าวสารพันยะจบลงอรุณขึ้นพอดีพวกมนุษย์ที่บํารุงสามเณรได้แบ่งเป็นสองพวก พวกหนึ่งโกรดว่าเราไม่เคยเห็นบุคคลที่หยาบช้าเช่นนี้มาก่อนเลยทำไมสัมมเนรู้ธรรมถึงปานนี้จึงไม่กล่าวทำสักบทหนึง่งแก่พวกมนุษย์ผู้ตั้งอยู่ในฐานะเพียงดังบิดามารดาของตนอุปถาคตนอยู่สิ้นการประมาณเท่านี้ส่วนบางพวกยินดีว่าเป็นลาภของพวกเราแล้วหนอที่ได้อุปถาคบำรุงสัมมเนร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 ทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวนยาสัตว์ด้วยพุทธจักสุทรงเห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับอุปถาของสามเณ น, นทั้งสองพวกทรงทราบว่าพวกที่โกรสามเณ น, นจักไปนรกถ้าเสด็จไปโปรดพวกเขาจักมีเมตตาจิตมีจิตอ่อนโยนในสามเณ น, นแล้วจักพ้นทุกข์ได้มนุษย์ทั้งหลายกลับไปบ้านจัดอาหารมีข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นปูอาสนะไว้คอยการมาของพิสูจน์ทั้งหลาย แม้พิสุทั้งหลายทำการชำระสรีระแล้วก่อนจะเข้าบ้านเพื่อพิกษาได้ถามสมมเนรว่าจากไปพร้อมกับพวกตนหรือจะไปทีหลังสัมมเนรเรียนว่าขอให้ท่านทั้งหลายไปก่อนเถิดส่วนข้าพเจ้าจากไปตามธรรมดาของตนพิสุทั้งหลายจึงถือบาศและจีวรเข้าไปสู่หมู่บ้านแม้พระศาสดาก็ทรงหมจีวรในเชตวันแล้วทรงถือบาศเสด็จไปยังที่นั้น โดยขณะจิตเดียวเท่านั้นแสดงพระองค์ข้างหน้าของพิสุทิ์ทั้งหลายพวกมนุษย์ได้ตื่นเต้นเอิกระเริบเป็นเสียงเดียวกันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาต่างชื่นชมโสมนัสเป็นที่ยิ่งอราตนาภิกษุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้นั่งแล้วถวายยาคูถวายพัดเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภิกษุทั้งหลายยังเสวยและฉันไม่เสร็จนั่นแล สามเณรติสะได้เข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านได้นําอาหารออกถวายสามเณรด้วยความคเคารพสามเณรรับอาหารแต่พอสมควรแก่ตนแล้วเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาน้อมบาตรเข้าไปถวายพระาศาสดาตรัสว่านํามาเถิดติสะแล้วทรงเหยียบพระหัตทรับบาตรจากสามเณรมอบให้พระสารีบุตรด้วยพระวาจาว่าจงดูบาสามเณรของท่านเถิดสารีบุตร พระสารีบุตรรับบาดจากพระหัตถ์ของพระศาสดาแล้วตรวจดูแล้วมอบให้สามเณรพร้อมกล่าวว่าไปนั่งทำพัตกิจในที่อันสมควรแก่ตนเถิดสามเณรชาวบ้านอังคาตภิสุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกแล้วทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนาพระศาสดาตรัสอนุโมทนาว่าท่านทั้งหลายได้เห็นพระอสิติมหาสาวกมีพระสารีบุตรเป็นต้น ก็เพราะอาศัยสัมมเนินได้เห็นเราตถาคตก็เพราะอาศัยสัมเนินได้ทำบุญเห็นปานนี้นนก็เพราะอาศัยสัมมเนินเป็นลาบของท่านทั้งหลายแล้วที่ได้มีสัมมเนินผู้มีบุญ <c oughs> เห็นปานนี้เป็นที่พึ่งเป็นบุญอันประเสริฐของท่านทั้งหลายแล้วที่ได้อุปถัมบำรุงสัมเนิมาเป็นเวลาสามสี่เดือ น, <c oughs> เ, น, นเมื่อได้ฟังอนุโมทนาดังนี้พวกมนุษย์ที่กลัสามเนินก็กลับยินดี เพิ่มพูนความเลื่อมใสมีประมาณยิ่งพวกที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็เลื่อมใสยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อจบอนุโมทนาชนเป็นอันมากได้บรรลุอริยผลมีโสดาปติผลเป็นต้นพระศาสดาสเสด็จออกไปกับสามเณรตรัสถามสามเณรเนืองว่าสถานที่นี้ชื่อไรสถานที่นี้ชื่อไรสามเณรทูลตอบว่าสถานที่นี้ชื่อนี้สถานที่นี้ชื่อนี้พระเจ้าข้า พระศาสดาสเสด็จมาถึงที่อยู่ของสัมมเนรแล้วสเสด็จขึ้นภูเขาเมื่อสเสด็จขึ้นถึงยอดเขาแล้วท่า พ, พระเนรเห็นมหาสมุทรอยู่เบื้องพระพักพระศาสดาตรัสถามสัมมเนรว่ายืนอยู่บนยอดเขาเห็นอะไรเห็นมหาสมุทรพระเจ้าข่าสัมมเนรทูลตอบเห็นมหาสมุทรแล้วคิดอะไรบ้างพระศาสดาตรัสถามข้าพระองค์คิดว่าน้ำตาของสัตว์ผู้มีทุกข์ร้องไห้อยู่ มีมากกว่าน้ําในมหาสมุทรพระเจ้าค่าพระศาสดาสงสารทุกการว่าถูกแล้วติสสะข้อ น, นั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆสัตว์ผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏ ต, ต้องประสบทุกข์ร้องไห้แต่ละคนมีน้ําตามากกว่าน้ําในมหาสมุทรดังนี้แล้วทรงย้ําว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ยังมีน้อยไปเมื่อเทียบกับน้ําตาของสัตว์ผู้ประสบทุกข์แอลคร่ําครวนเมื่อเป็นดังนี้ ทำไมหนอเพื่อนร่วมทุกข์จึงยังประมาทกันอยู่ดูก่อนท่านผู้สแสวงหาทางพ้นทุกข์คนทั้งหลายยังประมาทเพลิดเพลินหลงไหลกันอยู่ เพราะไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุแห่งทุกข์โดยเฉพาะสาเหตุขั้นมูลฐานไม่รู้ว่าอะไรคือความดับทุกข์และอะไรคือทางนําไปสู่ความดับทุกข์ส่วนมากเข้าใจผิดยึดเอาสิ่งที่เป็นทุกขว่าเป็นสุขส่วนเหตุแห่งสุกก็ขวเไปว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์เมื่อมีความตาริผิดเป็นทางดําเนินเช่นนี้ก็ไม่อาจบรรลุหรือพบทางแห่งสันติสุขได้ มีแต่ทุกข์เป็นเบื้องหน้าพระศาสดาตรัสถามสามเณรอีกว่าเธออยู่ที่เงื่อไหนอยู่ที่เงืมนี้พระเจ้าข่าสามเณรทูลตอบเมื่ออยู่ที่เงื้อนนั้นเธอคิดอย่างไรข้าพระองค์คิดว่าเมื่อข้าพระองค์เวียนเกิดเวียนตายอยู่สิริระอันถูกทิ้งแล้วณที่นี้มีจานวนมากจนกาหนดไม่ได้พระเจ้าข่าถูกแล้วติสสะพระศาสดาทรงประธานสาธุ ก, การ ก็ที่เธอกล่าวนั้นชอบแล้วใ น, นผื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่นี้สถานที่ที่สัตว์ไม่เคยทิ้งสเรระไม่เคยนอนตายนั้นไม่มีเลยแม้แต่น้อยดังนี้แล้วตรัสเล่าเรื่องในอดีตว่าพราหมณ์คนหนึ่งชื่ออุปสารหกะถูกเผาแล้วตรงนี้หมื่นสี่พันครั้งสถานที่ที่สัตว์ไม่เคยตายไม่มีในโลกสัจจะหนึ่งทำหนึ่งความไม่เบียดเบียนหนึ่ง ความสำรวมหนึ่งความฝึกตนหรือฝึกอินทรีหนึ่งมีอยู่หน้าที่ใดพระอริยะเจ้าทั้งหลายย่อมพอใจอยู่ณที่นั้นนั่นแหละคือที่ที่สัตว์ไม่เคยตายในโลกดูก่อนท่านผู้แสวงมรรคาแห่งอมะตะเมื่อสัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอันยาวนานนี้จะตายในที่ที่สัตว์ไม่เคยตายนั้นไม่มีเลยพื้นที่ทุกส่วนของปฐพีอันกว้างใหญ่นี้ ล้วนเป็นที่ที่สัตว์เคยทอดทิ้งสเตรระทั้งสิน้นสัตว์ทั้งหลายตายแล้วตายเล่าทับถมกันอยู่ในแผ่นดินนี้สาเหตุอันแท้จริงของความตายหาใช่สิ่งอื่นไม่มันคือความเกิดนั่นเองสาเหตุของความเกิดก็คือพบความกระหายใคร่เกิดสาเหตุของพบคืออุปทานความยึดมั่นอยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งสาเหตุของอุปทานคือตันหา ความทยานอยากมีประการต่างๆผู้มีคุณพิเศษเช่นพระอานนุ์เป็นต้นเท่านั้นจึงจะสามารถตายในที่ที่สัตว์ไม่เคยตายได้คือนิพพานในอากาศพระอนุนเถระเมื่ออายุได้120ปีแล้วพิจารณาดูอายุสังขารของตนเห็นว่าความสิ้นอายุจักมาถึงในไม่ช้านี้แล้วจึงบอกแก่สิทธิและบริวารว่าเราจักปรินิพานในวันที่เจจากวันนี้ไป ประชาชนซึ่งอยู่สองฝั่งน้ำโลฮินีล้วนเป็นญาติและเป็นผู้มีอุปการะมากต่อท่านทั้งสิน้นเมื่อทราบข่าวว่าพระเถระจกปรินิพานต่างก็กล่าวว่าพวกเรามีอุปการะมากต่อพระเถระพระเถระจะต้องปรินิพานทั้งฝั่งของเราพระเถระฟังคำของคนทั้งสองฝั่งน้ำโรฮินีแล้วคิดว่าชนเหล่านั้นล้วนมีอุปการะต่อเรามากเสมอกัน ถ้าเราจาักปริณิพานทั้งฟังได้ฝั่งหนึ่งคนทั้งสองพวกจกทะเลาะกันเพื่อแย่งอัธิธาตของเราความทะเลาะวิวาทหรือความสงบจะเกิดขึ้นก็ด้วยอาศัยเราเป็นแน่แท้ดังนี้แล้วจึงกล่าวกับชนเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายจงอยู่ทางฝั่งของตนนั่นแหละจะได้อัติธาต์ของเราตามต้องการท่านทั้งหลายมีอุปการะต่อเราเสมอกันในวันที่เจแต่วันนั้นพระอนนทเถระ นั่งคู่บอลังในอากาศสูงประมาณเจ็ดชั่วลำตาลนถ้ำกลางแม่น้ำโรหินีกล่าวธรรมกถาแก่ชนเหล่านั้นแล้วอธิษฐานว่าขอสเรระของเราจงแตกในถ้ำกลางส่วนหนึ่งจงตกทางฝั่งนี้อีกส่วนหนึ่งจงตกทางฝั่งโน้นดังนี้แล้วเข้าเตโชกสินสมาบัติสมาบัติซึ่งมีเตโชธาตเป็นอารมณ์เปเลวไฟตั้งขึ้นแล้วเผาไหมสเรระของพระเถระ สิริระของท่านแตกในท่อำกลางส่วนหนึ่งตกทางฝั่งนี้อีกส่วนหนึ่งตกทางฝั่งโน้นมหาชนร้องไห้คร่ำครวญเสียงร้องไห้ระงมไปทั่วประนึงแผ่นดินสุดน่าสงสารกว่าเสียงร้องไห้ในวันปรินิพานแห่งพระาศาสดาเพราะประชาชนร้องไห้อยู่ตั้งสี่เดือนเพอรำผ่านว่าเมื่อพระเถระอานนท์ยังอยู่ปรากฏแก่พวกเราเสมอหนึ่งว่า พระศาสดายังทรงพระชนอยู่บัดนี้พระศาสดาของพวกเราปริณิผ่านเสียแล้วพระศาสดาตรัสถามสมณเนติสะต่อไปว่าเธออยู่ในป่าชัดนี้ไม่กลัวเสียงสัตว์มีเสียงเสือเหลืองเป็นต้นหรือไม่กลัวเลยพระเจ้าค่าสมณเนรทูลตอบ อีกประการหนึ่งการได้ยินเสียงสัตว์เหล่านั้นทำให้ข้าพระองค์มีความยินดีในป่ายิ่งขึ้นสำเนินติสสะได้พันานาคุณของป่าเป็นอันมากเฉพาะพระภาคของพระาศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุโมทนาแล้วตรัสว่าติสสะเราและภิกษุสงฆ์จะไปเดี๋ยวนี้เธอจะไปกับเราหรือจะกลับข้าแต่พระองค์ถ้าอุปชายะของข้าพระองค์ให้กลับก็จะกลับ ถ้าอุปชัยยะให้ไปก็จักไปพระศาสดาสเสด็จหลีกไปพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์แต่อัธยาสัยของสมมเนรไม่จะกลับแต่ประการเดียวพระสารีบุตรเถระทราบอัธยาศัยของสัมมเนรจึงกล่าวว่าทิสะถ้าเธอประสงค์จะกลับก็จงกลับเถิดสมมเนรถวายบังคมพระศาสดากล่าบลาภิกษุสงฆ์แล้วเดินกลับพระผู้มีพระภาคสเสด็จไปยังเชตวนารามเมืองสาวัตถี เยนวันหนึ่งพิสุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าน่าอัศจร์จริงหนอติสะสามเณรทำสิ่งที่บุคคลทำได้ยากแท้เป็นผู้มีลาบมากตั้งแต่เกิดมาเมื่อบวชแล้วก็เป็นผู้อุดมด้วยลาบสการะแต่เธอสามารถละทิ้งลาบสการะปานนั้นได้แล้วเข้าไปสู่ป่ายังอัตภาพให้เป็นไปด้วยอาหารที่ฆะกันไม่ประณีตสามารถทาสิ่งที่ทาได้ยากจริงหนอพระาศาสดาเสด็จมา ทรงทราบเรื่องที่ภิสุสนทนากันแล้วรัสว่าภิกษุทั้งหลายสำมเนนติสะทาสิ่งที่ทำได้ยากพิกสุทั้งหลายปฏิปทาเพื่อให้ได้ลาบเป็นอย่างหนึ่งส่วนปฏิปทาเพื่อให้ถึงนิพพานเป็นอีกอย่างหนึ่งภิสุทั้งหลายประตูแห่งอบายสี่ย่อมเปิดออกสำหรับภิกษุผู้ปฏิบัติเพื่อลาบสการะแม้จะสมาทานทุดดงมีการอยู่ป่าเป็นต้น ถ้มุ่งลาบสการะเป็นจุดมุ่งหมายก็ไม่พ้นอบายสีส่วนภิกษุละลาบสการะอันเกิดขึ้นแล้วเข้าสู่ป่าเพียรพยายามอยู่ย่อมสามารถยึดเอาพระอรหันต์ไว้ได้ดังนี้แล้วทรงย้ำว่าข้อปฏิบัติมุ่งลาบสการะเป็นอย่างหนึ่งข้อปฏิบัติอันเป็นเหตุให้ถึงนิพพานเป็นอีกอย่างหนึ่งสาวกของพระพุทธเจ้าทราบเนื้อความตามเป็นจริงอย่างนี้แล้ว ไม่พึงเพลิดเพลินในลาบสการะพึงเจริญวิเวกธรรมพอใจในความสงัดดูก่อนผู้สแสวงหาวิเวกภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือบำเพ็ญวัดอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นทุดงควัดด้วยมุ่งลาบสการะนั้นไม่น่าสรรเสริญเลยท่านเหล่านั้นย่อมต้องประพฤติคดทางกายบ้าง ทางวาจาบ้างเพื่อให้ลาบสการะเกิดขึ้นต้องประจบประแจงบุคคลผู้จะอาํานวยผลให้เกิดลาบสการะแก่ตนดูก่อนผู้สแสวงหาคุณอันประเสริฐอันลาบสการะและชื่อเสียงนั้นพระบรมศาสด า, สดาทรงชี้ให้เห็นโทษอยู่เนือ ง, องทรงพร่ำสอนภิกษุสาวกของพระองค์ไม่ให้ติดในลาบยศชื่อเสียงเพราะมันทารุณแสบเพ็ดถึงลงต่า ย, ย่ายีจิตใจให้ล่าร้อนกังวล เป็นทางไหลามาแห่งริษยาและมานะไม่ดีเลยแต่ทรงพร่มสอนให้พอใจในวิเวกพ่อพูนวิเวกพราดากายวิเวก ค, ความสงัดกายมีกายอยู่ในที่สงัดนั้นเป็นเครื่องบรรเทาการคลุกคลีด้วยหมู่คณะจิตวิเวก ค, ความสงัดจิตหมายถึงการที่จิตถอยห่างจากอารมณ์ยั่วยวนนั้นเป็นเครื่องบรรเทาความหมักหมมด้วยกิเลสส่วนอุปถิวิเวก คือพระนิพพานนั้นย่อมบรรเทาเสียได้ซึ่งความเกี่ยวข้องด้วยสังขารกายวิเวกเป็นปัจจัยให้เกิดจิตวิเวกจิตวิเวกเป็นปัจจัยแห่งอุปถิวิเวกดังที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ว่ากายวิเวกของท่านผู้มีกายสงบแล้วยินดียิ่งแล้วในเนคขมะจิตวิเวกของผู้มีจิตบริสุทธิ์แล้วถึงความผ่องแผ่อย่างยิ่งอุปถิวิเวกของผู้ไม่มีอุปถิ ถึงพระนิพพาน